ไม่โอนเอียงเข้ากับโลกาที่ปไตยไม่โอนเอียงเข้ากับประชาที่ปไตยเป็นธรรมาที่ปตัตยไม่ไปทางไหนทำไมจึงปฏิบัติสินธรรมเพราะมันมีกิเลสอยู่ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องปฏิบัติสินธรรมพวกท่านที่เป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าท่านเป็นมาแต่ในท่อ ก็ต่างโคลนต่างมาปฏิบัติเอาตามทีกิจกำลังของไครของมันจึงสำเร็จพระอรหันต์จึงพ้นจากโลกไปจึงพ้นจากทะเลหลงของตนไปถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นข้าเป็นทาส ท, ทะเลหลงของตนอยู่ทุกท่านทุกคนเอเชนั้นจึงเมืพระพุทธเจ้ามาในโลกไม่ขาดยุคไม่ขาดสมัยทำไว้ัยของพระบรมศาสดา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 บ้านเมืองของเกศสมรภูมิของเกศก็คือใจถ้าไม่มีใจกเกศก็ไม่มีที่อาศัยผู้ที่จะยอมตัวปฏิบัติศีลธรรมก็คือใจทำไม่ได้งอ ง, งอนใจเลยถึงจะไม่มีใจทาก็มีอยู่พระนิพพานธรรม ใจจัดเป็นสังฐานเป็นคิดตสั้งฐานความไปความอยู่เป็นของภายนอกจะไปไหนอยู่ไหนก็อยู่ตามสติกําลังในธรรมะของพระบรมศาสด า, ษาเขารักธรรมะปฏิบัติธรรมะเท่านั้นการไปการอยู่เป็นของภายนอกอยืนเดินนั่งนอนก็เป็นของภายนอกตนก็เป็นที่พึ่งของตนธรรมก็เป็นที่พึ่งของธรรม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 ไม่ได้เข้าข้างผู้รู้และผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกัางวันกลงคืนกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนตามสัตว์อยู่ทุกอธิยาบทของกิจของใจในโลกมันไม่ไม่มีมมที่อยู่ถ้าโลกมีที่อยู่พระนัหันก็ต้องอยู่ในโลกไม่เข้าสู่พระนิพพานละเพราะมันไม่ไม่มีที่อยู่มันมี แต่ล้นทานเพลิงเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายถ้าไม่มีทุกข์หนทางจะออกจากทุกข์ก็ไม่มีที่พระบรมศาสดาค้นพบก็พระมันมีทุกข์มีมืดแล้วก็มีสว่างมีโง่แล้วก็มีฉลาดมีหลงแล้วก็มีทางปัญญาท่านมองเห็นอย่างนั้นท่านจึงสร้างบัลลมีมา สี่อสงไขยแสนมหากับก็มีแปดอสงไขยแสนมหากบก็มีสิภคอสงไขยแสนมหากับก็มีมมเป็นพระสมานาพุทธเจ้าแต่พวกเราไม่ได้สร้างบา ร, รมีถึงขนาดนั้นเพราะไม่ปรารถนาเป็นพระสมานาพุทธเจ้าปรารถนาเป็นสาวกสาวิกาก็พอแล้วกำในดใครก่อก็ตนเป็นผู้ก่อ กุศลกรรมก็จนเป็นผู้ก่ออกุศลกรรมก็จนเป็นผู้ก่ออยู่กับตนหมดไม่มีใครมาแย่งเอาของใครของมันทําดีก็ไปบวกดีที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่วที่ใจเป็นธาตุของกิเลสปลดธาตุยังไม่ได้พระสวสดวาบาลพลดไปแล้ว พระสักคาคามีก็ปดไปบ้างแล้วเป็นเอกเทศพระอนาคาห์มีก็ตดธาตุไปแล้วบ้างพระหันโดตธาตุหมดแล้วโดตธาตุของกิเลสโดตธาตุาของความหลงเกิดมาในโลกประสบพบเห็นต่างๆสารพัดถ้ากิเลสมีมากก็พบแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลถ้ากิเลสมีน้อย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 เราทั้งหลายไม่รู้ก็ต้องไปดูนชวนจะถูกน้อยหรือถูกมากก็ขึ้นอยู่กับจิตปัญญาของแต่ละรายของบุคคลพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระ涅槃แล้วบาปก็ยังมีอยู่บุญก็ยังมีอยู่มรรคผลานก็ยังมีอยู่ไม่ได้เอาไปด้วยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทบแทงอยู่ในโลกลำบากเหมือนกัน นี่มีดิ่งอยู่ในโลกนะมีพระพุทธศาสนาแทบแซงอยู่ในโลกนะศาสนาอื่นๆเป็นเมืองขึ้นของดิ่งอันนี้นะของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นพรพุทธศาสนาประจำโลกแต่ชาวโลกขี้โกงไม่น้อมหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนาต่างหากเขาเหตุใดเขาเหี้หว่าบาลายายอ่อนอยู่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 จึงเป็นผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมย่อมไม่ไปตามคนต้องไปตามดิ่งเพราะพุทธศาสนาเรียบเหมือนบันทัดเรียบเหมือนดิ่งเหมือนกันจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่รบเรียนไปทางไหนใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนว่าตรงก็าตามข้าพเจ้าก็ตรงอยู่นะ ถ้าจะรวมยอดลงมาก็ไม่มีมากครับพุทธศาสนาก็มีน้อยน้อยก็น้อยลงที่ใจเรานี่เองอบายยมุกเป็นของสําคัญมากต้องวางอบายยมุกเสียก่อนถ้าไม่วางอบายยมุกก็ไม่เห็นธรรมละเพราะอบายยมุกก็มันปิดมันปิดศีลธรรมของพุทธมังกรก็ถ้ายัง มัวเมาในอบายยมุกอยู่ก็ไม่เห็นทำพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอันใดเป็นหลักของจิตของใจการคองเีพก็ไปไม่ไหวถ้ากอาการคองเรีพฝืดเครืองก็ฝืดเคืองเพราะอบายยมุกเกียดข้านก็เป็นอบายยมุกหากินทางไม่ชอบก็อบายยมุกชอบโกงก็อบายยมุก อบายก็แปลว่าทางไม่เจริญมุขะไม่เจริญ อ, อยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากศินหาข้อเป็นของสําคัญมากแต่ละข้อละข้อก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นเองไหว้พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ก็คือศีนห้าข้อนั่นเองศินห้าข้ารวมลงมาเป็นข้อเดียวทำให้รวงระมิด พุทธารสงฆก็รวมมาเป็นอันเดียวถ้าไม่ล่วงละเมิดถ้าเขารับรับถือมารวมกันอยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนไปที่ไหนก็ไม่หนักพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดมันก็มาหาผู้ฟังผู้ไม่ฟังมันกม็มันก็ไปหาเหมือนกันวันนี้ใกล้จะตายกว่าวันวานนี้ใกล้จะตายกว่างทิ ตอนเที่ยงนั่นเองหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้วหายใจออกข้างหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้วนึกคิดขึ้นคณะคิดหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกันถ้่เกิดเที่ยวตายอยู่เนี่ยถ้าลืมพิจณ า, าธรรมะก็เรียกว่าตายจากธรรมะถ้าเวลาไหนไม่ลืมพิจณ า, าธรรมะก็เรียกว่าเกิดมาในธรรมะ ของพระพุทธศาสนาเวลาไหนลืมพิจารณาธรรมะก็เรียกว่าตายขาดธรรมะถ้าอธิษฐานไว้ก็ไม่ตายระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมอยู่ทุกประสงค์อยู่ทุกเมื่อขอเอาไปที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกเมื่อเรียกว่าถ้าไม่ระลึกก็มีอยู่เพราะอธิษฐานไว้แล้วแต่จะหาจินทางอธิษฐานไม่ทําเพิ่มก็ไม่ถูกจะหาจินแต่ทางคําสั์ แต่ไม่ทำเพิ่มก็ไม่ถูกอธิษฐานก็อธิษฐานเพื่อมาให้เขาไปทางอื่นตั้งสัตว์ไว้เฉยๆต่ไม่ทำเพิ่มก็ไม่ได้อีกทำเพิ่มขึ้นที่ใจใจวันหนึ่งวันหนึ่งนึกในธรรมะอะไรบ้างนึกไปทางไหนบ้างขาดทุนศูนย์กำไรอะไรบ้างวันหนึ่งนึกภาวนาอะไรบ้าง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 ถ้าจะนั่นก็เงียบภาวนาซะมีจะพูดแม่ภาวนามันก็ไม่ได้เห็นอะไรชัดที่สกลรากายก็จับอ น, นั่นอยู่เรียกว่าผู้นั่นฟังเทศเป็นเรียกเอาผู้นั่นภาวนาความเคลื่อนไหวของกายของใจมีอะไรบ้างต้องการเห็นก็ต้องเห็นไม่ไหวจะไม่ต้องการ ต้องการเห็นลมเข้าลมออกก็ต้องเห็นกายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแต่สักว่าใจดินเป็นแต่สักว่าดินน้าเป็นแต่สักว่านา้าไฟเป็นแต่สักว่าไฟลมเป็นแต่สักวา่าลมกิเลสมันไม่อยู่เฉยเฉยไม่คว้าอันหนึ่งมันก็คว้าอันหนึ่งมาเป็นของมันสำคัญมากมันยืนยัน า, าเป็นของมันหมด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 พอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนอนพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อนอนเดินพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อเดินมีชีวิตพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะเป็นประโยชเฝ้าชีวิตพอได้ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อคนทุกข์เท่านั้นการดิ้นรนมีอยู่สองแผนดิ้นรนเพื่อพ้นทุกข์ดิ้นรนเพื่ออยู่ในโรค ความแสวงก็มีอยู่สองอย่างแสวงเพื่ออยู่ในโลกแสวงเพื่อพ้นโลกความต้องการก็มีอยู่สองอย่างต้องการเพื่อจะอยู่ในโลกไปจนจากได้ต้องการเพื่อจะปฏิบัติเพื่อชนะความหลงพูดไปไหนมันก็ไม่ไป มันวนเวียนอยู่ที่ตนเองศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้มาพูดด้วยมรคนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยศีลเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นก็พูดสัมมาวายาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาจิตสัมมาสมาธิส่วนพระนิพพานไม่ได้มาพูดกับใครเลยไม่ได้มาฟังเสียงใครเลย เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เคลื่อนหาผู้ใดเลยพระเนปาอยู่คงที่ทรงอยู่มีอยู่ใครจะไปหาหรือไม่ไปหาเป็นเรื่องของผู้ไปและผู้ไม่ไปขณะคิดที่นึกขึ้นแล้วก็าหายไปเหมือนลมพัดคืออ น, นิจจังอันละเอียบลมหายใจเข้าก็ร่วงไปลมหายใจออกก็ร่วงไป เสียเข้าหูส่งลงถึงใจก็ร่วงไปก็กมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นพูดอยู่วันยังค่ําก็มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนึกอยู่วันยังค่ําก็มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนิ่งอยู่วันยังค่ําแต่ว่านิ่งแต่วาจาแต่จิตใจไม่นิ่งมันนึกอะไรอยู่อีกเนึกขึ้นแล้วก็าหายไปนึกขึ้นแล้วก็าหายไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้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 พาล่ากระดูกมาเกิดในบรรดาสงสารพาหนังหุ้องอยู่โดยรอบความเกิดแก่เก็บตายไม่ได้เป็นเงื่อนใหม่เป็นเงื่อนเกา่าที่เคยเกิดแก่เก็บตายมาแล้วนั่นเองความดีใจเสียใจก็ไม่ใช่เงื่อนใหม่ก็เป็นเงื่อนเกา่าที่เคยดีใจเสียใจมาแล้วนั่นเองผู้ประพฤติเียนธรรมก็ไม่ใช่เงื่อนใหม่เป็นเงื่อนเกา่าของเสียนของธรรมนั่นเองผู้พย า, ายามเว้น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 อยู่ในโลกคอยเอาอะไรบ้างคอยเอาเก๋เอาเก็บ เ, เ, เอาตายหรือคอยเอามาัผลนิพานหวังอะไรบ้างหวังจะเอาอ น, นิจังมาเป็นสมบัติพัฒฐานอ น, นิจังภายในมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบก็จะแตกสลายอ น, นิจังภายนอกคือสมบัติพัฒ ฐ, ฐานมีเสื้อผ้าผ่อนท่อนสบาย หรือสมมุติว่าสังหารจะมาทรัพย์อสังหารจะมาทรัพย์สิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจของอเนจังแปรวลไม่มีอยู่กลางวันกลางคืนไม่ยอมว่าจะเป็นของผู้ใดดินน้ำไฟลมก็ไม่ยอมว่าจะเป็นของผู้ใดผมขนและฟันนังเรื่อ ง, งเอ็นกระดูกก็เหมือนกันไม่ปฏิญญาว่าจะเป็นของผู้ใดไม่ปฏิญญาว่าจะเป็นของพยากิตราศ ทำทั้งหลายก็ไม่เป็นปรติญญาว่าจะเป็นของผู้นั้นผู้นี้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนพิจารณาตามเป็นจริงลดทอนจากความเข้าใจผิดตามเป็นจริงไปเป็นชั้นๆใครเป็นผู้ทุกข์สังขารเป็นผู้ทุกข์ใครเป็นผู้พูดวัชิสังขารเป็นผู้พูดจิตตาสังขารเป็นผู้นึกคิดขึ้น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 ข้ามภูเขาภูเราได้ท่านก็ไปเป็นพระอรหันต์ะแต่พวกเราข้ามภูเขาภูเราไม่ได้ก็เป็นพุทธชนคนหนาแย่งกันอยู่สู่กันกินอยู่นี่แหละควักตากันกินอยู่แย่งขี้กันกินอยู่เพายังไม่พ้นก็ต้องแย่งขี้กันกินรบลาข้าฝันก็แยกงขี้กันกินกิน ถ้าเลายวิวาดบาดหมาก็แย่งขี้กันนีกูได้กินน้อยมึงได้กินมากกูบริวาสมากมึงมีวาบริวาสน้อยก็แย่งขี้กันในวัดตาสงสารอันนี้แย่งไปแย่งมาก็ต่างคนต่างแบมือตายแย่งวัดแย่งวาแย่งญาติแย่งโยมแย่งพักแย่งพวก เหตุฉะนั้นพระพรทมศาสานาจึงสอนไว้อาวาสมัมฉริยตนีที่อยู่ภูลามัชริยตนีตระกูลราภมัฉริยตนีลาภวันนมัฉริยะตนีวันน ะ, ระนนนะธรรมมัฉริยตนีธรรมไม่อยากสอนผู้ใดจึเงเขาจะทันตนเรียกว่ามัฉริยห้า อาวาสมัฉมชยะตะนีที่อยู่กูแล้วมัฉรชญาตะนีตระกูลไม่อยากให้ใครมาผัวพันกับตระกูลของตนเกรงเขาจะแย่งล่าไปวั น, นมั้ฉริยะตะนีวันณะหัวสวยหว ง, งามหัวไว้มันก็ไม่อยู่มันก็แก่ก็เก็บก็ตายแยมตอบฟันหักเส้นหนังเป็นเกลียว ราภัติยะตนีลาบธรรมมัติยะตนีธรรมไม่อยากสอนท่านผู้ใดเกรงเขาจะเหนือตนไปสังคมของโลกคืออะไรสังคมของโลกในพุทธศาสนาก็คือมีสินห้าสำหรับรักษาสังคมสังคมโลกมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามาก เป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะปรึกษากสิ่งใดใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทําสิ่งใดก็ไม่ทาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นให้ทานโดยเคารพ คือเอเื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการหดเกรี้ยงเสียคำสอนพระบรมศาลาทั้งนั้นมีแต่เนื้อไม่มีกระดูกตกินนักกะคือหมวดเบตเตเดตอุปกิเลสคือเครื่องเสื่อหมองสิบหกอย่างอภิชาวิสมาโลภะละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเร็งสองโทสะไรยกาศ สามโกธะโกดสี่อุปนาหะผูกโกรธไว้ห้ามรคะลบหลู่บนคนท่านหกปราสาตีเสมอคือยกตนทมท่าน 7. ็ดอิจฉานิทิยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้แปดมัจฉิยติีเก้ามายามัญาคือเจ้าเล่ห์สิบาสาเถยโออวด1ิบเอ็ดพระหัวดื้อ1ิบสองสารำพระแข่งดีสิบสามมานะถือตัว สิบสี่อติมาณะโดมินท่านสิบห้ามัถะมัวเมาสิบหกประมาทเรินเลิกชาตุกะทำไม่เกเรตคือกรรมเครื่องเศร้าหมองเสีงปาณาที่บาททำชีวิตตระเทศตกล่วงอธินนาทานถือเอาสิ่งของที่จะของไม่ได้ให้หรื อ, อาการแห่งขโมกวว ย, ยกามีสุิมชายจารโดยพืชผิดในกลางสี่มุสาวาทูเทศ กรรมสีอย่างนี้นักปราชญ์ไม่สรรเสริญเลยอบายมุกคือเหตุเครื่องเิบหายหกอย่างดื่มหน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียดข้านทํำงานคําสอนของพระบรมศาสดาสอนวัดไม่มีใครจะสอนเหนือพระบรมศาสดาไปเลยเล่มก้างท่านมาสอนกันทั้งนั้นแหละข้าพระเจ้าจําได้เท่านั้นข้าพระเจ้าจําได้เท่านี้เออ ถ้าไกล้าสอบได้ปริญญาเอกปริญญาโทเป ร, เริญญาเอกป ร, ริญญาโทเนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกไอ้ที่แท้ก็เอาคําสอนของพรบรมศาสดามาเป็นของตัวมาเป็นสมบัติของตัวเรียกว่าเอาของเศรษฐีมาเป็นสมบัติของตัวไอ้ที่แท้ก็ยืมของเศรษฐีมาผ้าเนื้อผ้าหมก็ยืมของเศรษฐีมา วัดวาอารามก็ยืมของเศรษฐีมาอาศัยยืมของพระสมัพามาายพระพุทธเจ้ามาอาศัยอืพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเศรษฐีจีบอลเป็นหบาทก็ยืมของพระสมัยพระพุทธเจ้ามาหาอยู่หากินแล้วก็สําคัญ่ะเป็นอํานาจวาฒนาของตัวกุฏิบริหารสาราลงธรรมตลอดถึงไฟอะไรต่ออะไรสังหารีมาทรัพย์อาสังหารวมาทรัพย์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 ในทางพระพุทธศาสนาคือพระสวสดาบรลเป็นผู้สมควรพระจักกาคามีพระอนาคามีพระอรหันคนสมควรในทางพระพุทธศาสนาสมควรกันในทางโลกของพวกเราสมควรทางกิเลสผู้ใดมีกิเลสมากก็ผู้นั้นเป็นผู้สมควรชนะหมู่แต่ว่าเวนก็สนองเวนเหมือนกัน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 ศีลค่ายกับนายข้างร้อยดอกไม้เพราะคนต่างชาติต่างภาษามาอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องปกครองแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างจะทำไปเหตุฉะนั้นจึงมีทาเป็นเครื่องปกครองจึงยืนยันว่าทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มคลองโรกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มคลองโลกได้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 วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลมไม่พัดต้นไม้ไม่มีแต่ทางพุทธศาสนาบอกว่าคนห่างเหินออกจากสินธรรมะออกจากทานวัดศีลวัดภาวนาวัดออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝนก็ไม่ตกไม่อำนวยไม่ถูกระดูการ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 ถ้าทำสองประการไม่มีอยู่ในสังคมได้แล้วสังคมนั้นก็ปกคอรองกันไม่อยู่นิหะคือข่มในการที่ไม่ถูกตอนไหนที่ไม่ถูกก็ขม่มหมายความว่าไม่ส่งเสริมเรียก ว, ว่าขม่มตอนไหนถูกก็อนุโมทนาเรียกว่าปัหะะถ้าขาดทำสองประการนี่แล้วปกคอรองกันไม่อยู่ต้องลงโทษกันตามโทษสานุโทษต้องให้คะแนน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 พระบรมศาสดาทรงประชุมสงฆ์แล้วเทศว่าศาสนาของเราจะเจริญเนื่องด้วยเตือนกันเหตุฉะนนั้นจึงมีปวารณาในมหาปวารณาออกพรรษาทิศเถนะวาสุเตนะวาได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้สงสัยได้ดังเกียรก็ดีปฏิสังกายาวาหรือสงสัยก็ดีพระดันตุมังอายะะมันโตอนุกรรมปงอุดาอุปาลายะ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 สิงไหนที่ควรทรงสรรเสริญก็ทรงสรรเสริญไม่ให้เป็นฝ่ายคัดค้านหน้าเดียวไม่ให้เป็นฝ่ายอนุโมทนาหน้าเดียวถ้าทําไม่ถูกก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านได้ถ้าทําถูกก็มีสิทธิ์ที่จะอนุโมทนาได้แต่อนุโมทนาตามดิ่งนี่ไม่ได้เอากิเลสมาอนุโมทนาไม่เอาไม่เอากิเลสมาติเตียนไม่เหมาะสมกับทำข้อนั้นไม่เหมาะสมกับทำข้อนี้ก็เอาอันนี้เป็นเครื่องวัด เอาดิงคือคอําสอนทังพุทธศาสนาะเป็นเครื่องวัดของชาวโลกแล้วผู้บัญญัติบาปุลคุณโทษก็เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสคือพระสมมาทัพพุทธเจ้าไม่มีใครจะบัญญัติบาบุลคุณโทษเท่าพระสมมาทัพุทธเจ้าถูกดอกพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็เหมือนกันมาตรงกันเลยเพราะเป็นพระบรมศาสตาเต็มภูมิเสมอกันหมดจะมาคนละยุคละยุค ก, ก็ตาม ไม่ได้ลบล้างพอรอบอเลยจึงทรงพระนามว่าัตัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุตรังปุญญเขตตังโลกัดสาติพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกไม่มีดาบุญอื่นยิ่งไปกว่านี่หมายความว่าพระสงฆ์อยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่พระสงฆ์อยู่นอกศีล น, นอกธรรม พระสง์ในที่นี้หมายเอาพระสวสดาบัลเป็นต้นไปตามก่านั้นลงมาไม่นับเข้าบัญชีเลยพระพุทธศาสนาพระบรมศาสร า, ศาที่ว่าเป็นเขตบุญของโลกก็นับเอาแต่พระสวสดาบาลเป็นต้นไปจนถึงพระรหัน์สุพเิ ป, เปนโนพระขวัโตส า, สาวกสาษโกพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเก้านั้น คือพระโสดาปเจมักพระโสดาปเจผลอุชุปเทปโนโพระกวัตโตซาวกสรังโคพระสงสาวะของพระโภเมพระภาคเจ้านั้นคือพระจกทาคาเมมักสกทาคาญผลยายยะปเทปโนพระกวัตโตซาวกคสรังโคพระสง์สาวะของพระโภเมพระภาคเจ้านั้นคือพระอน า, าคาเมมัก พระอนาคายผลสามีกิปเิปันโนพระกวโตเศ้าว่าสร้างโคพระสงฆ์สาวกของพระบุมอิปภาคเจ้านั้นคือพระอนาหัตตมักอนาหัตตผลเอสาพระกวัโตเ้าว่าสร้างโคนี่เนอสาวกของพระบุมอิปภาคเจ้าอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักเิเนยโยอัญชลีกาลเนโยอนุตตรังปุญญะเถ ต, ตังโลกัสสาติเป็นผู้ควรของคํานับ เป็นผู้ควรของบูชาเป็นผู้ควรของธรร ม, มุนเป็นผู้ควรกราบไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดาษเป็นเขตบุญของโลกไม่มีเขตอื่นยิ่งไปกวา่านั่นอนุตรังุลยักเขตตังโลกสาติถ้าไปบอกเลขบอกผาเนามันจะเป็นเขตบุญของโลกไมก่จากประตูไหนอนุตรังปาปะ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 จะทําให้ศาสนาเจริญอยู่ที่ดวงใจของใครของมันพร้อมทั้งสามัคคีก็ดีผู้ที่จะทําให้เสื่อมออกจากดวงใจของใครของมันและออกจากสังคมก็คือพระพุสามเนตรอุบาสกอุบาสิกานั่นเองนั่นอาธิแทพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมไปไหนแต่ผู้ปฏิบัติเสื่อมนี้จากพระพุทธศาสนาต่างหากอบายมุกทุกประเภท มันเป็นเครื่องทำลายพระพุทธศาสนาหมดกีดขวางพระพุทธศาสนากีดขวางมรนคผลนานด้วยกีดขวางสติปัญญาด้วยไม่สามารถให้สติปัญญาเคลื่อนที่ได้ไปหาสูงสมมาทิติความเห็นชอบก็เห็นชอบในอบายยมุขซักสัมมาสังกัปโป ก็ดำลิแต่อบายามุกซะสัมมาวาจา ก, ก็ชักชวนกันไปเล่นแต่อบายามุกซะสัมมากมันโตก็เอาการงานอันนั้นเป็นงานซะเทื่อไปวุ่นพระสำนักนั่นสำนักนี้คนที่มาในวัดไม่ใช่คนโงโงงคนชั้นสูงสำคัญมาก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 บางทีจะไปผูกเอาแรกบ้างอันนี้พวกนี้ก็พวกหนึ่งอีกนะจะพวกหนึ่งได้เรียนว่าลือชาปากฏแท้เราไปดูดูจะขนาดไหนอย่างนั้นก็มีก็มีพระองค์หนึ่งบวชมาลาซอขาไปแล้วไม่ออกชื่อลือนามดอกแต่ว่าสนิทรับเราแต่ระยนสูงพอสมควร เราก็ดักใจแกถ้ากอนิสัยของคุณมันผมรู้ดีแล้วคุณสะพายบาดไปเที่ยวดูคนในไตโลกท่ทาเชียงใหม่คุณก็ไปตาใต้คุณก็ไปภาคเหนือคุณก็ไปหมดคุณสะพายบาดไปดูสังคมไหนว่าจะเท่ากูไหมถ้าไม่เท่ากูแล้วกลับไปสังคมอื่นอีกสำนักนี่ก็ไม่เท่ากู สำนักนั่นก็ไม่เท่ากูไปที่ไหนก็ไม่เท่ากูไปที่ไหนก็ไม่เท่ากูเดี๋ยวก็ทิ้งถ้าสาสวพัสดเพราะเราไปเที่ยวดูคนให้เสมอตนเราไม่มีข้อวัดข้อวัดของเราก็เสียไปไปเที่ยวไปไปเที่ยวเที่ยวคนดูกับเจ้าของหมดเวลาส่วนเจ้าของไม่ได้เดินตรงตังคมภาวนาะไปเที่ยวหาเที่ยวหา สะพายบาทเพ่งโทษท่านผู้อื่นถ้าหมดกำลังแล้วก็ทิ้งบาททิ้งผ้าถูกไหมผมพูดกับท่านผมรู้จักนิสัยของท่านก็หัวทีต้นไม่มีอะไรต้นเสื่อมไม่มีอะไรเขาเสื่อมเขาเดินจะกรมภาวนาอยู่เขามีเครื่องอยู่ เธอเสือไม่มีเครื่องอยู่เนอะไปเที่ยวเพ่งโทษคนจะพายบาดไปเที่ยวเพ่งโทษคนวัดนี่ก็ไม่ดีเหมือนเราวัดนี่ก็ไม่ดีเหมือนเราวัดนี้ก็ไม่ดีเหมือนเราตนไม่มีอะไรไปเที่ยวเพ่งโทษคนอื่นคนผ่านย่อมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังมันมีในภาสิตวะ น, นไม่นานเดียวผมก็เห็นท่านราชิขาดอกพอสองปีเข้ามาเนี่ยราชิขาเลยนั่นเห็นไหม ราที่ขาแล้วก็เราไปออกชื่อเสียงหรอแกแล้วไปเอายืมองเงินสงไปค่าที่นี่เจ็ดรอยบาทยังไม่ได้ใช้สงเลยตายคากันนั่นพวกที่ลือชาปรากฏว่าภาวนาดีๆนั่นเอง เที่ยวเก่งๆนั่นเองเที่ยวมันมีสองเที่ยวบางท่านไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ถูกกับใจเราก็ได้ลวงไปเออสําหรับท่านดีขนาดนี้เกินถ้าไปอยู่กับองค์หลวงปู่มหาบัวล่ถ้าไม่ได้เทศดอกเพราะท่านประพฤติดีสมควรหลอกไปทีนี้หลอกไป พอเข้าไปหาสำานักของอลงแล้ปู่แล้วก็ น, นิ่งเลยกระดิกไม่ได้นั่นแะสมนำหน้ามันที่ไหนเก่งๆแล้วก็บอกแค่ไปแต่ไม่พอสามี่วันหาเรื่องแล้ว อ, อ, อากาศไม่ดีอากาศไม่ถูกกับกับข้าไปเลยงา น, น ผู้ใดจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นยอมเป็นเขียงเ็ดเท่าให้ท่านซัก้าจะไม่ให้ท่านให้คะแนนเราไม่ได้ต้องยอมให้เป็นเคียงเ็ดเท่าเลยไม่ดีตอนไหนก็ให้เขดต่อหน้าญาติยอมก็าตามครับถึงขนาดนั้นจึงรับเนื้อหลวงปู่มั่นไม่ใช่ของง่ายๆเนื้อไม่เหมือนพวกเรา ทีนี้พอพวารณาเนี่ยก็เถิดแล้วทีนี้มันจะจริงไหมมันปรวรณาเราอย่างนั้นเราจะลองมันดูเถเฮเบียงเบียงเลยละมีหน้าที่ก็ทําทีนี้เราปีที่สองที่สามที่สี่มาก็เงียบปีที่แรกก็เพียงเลยละหลวงปู่มหาก็เหมือนกันเรามาภูเก็ตเรามาจากภูเก็ต เรามีสมณีนอง์หนึ่งมาด้วยเราก็พูดว่าสมณีนองค์นี้อยา ก, ากมาปฏิบัติกับองค์หลวงปู่พระได้ยินแต่ชื่อลือนามแล้วก็อยากมากับผมก็ไม่ได้ชวนสมณีนดอกเพราะทาเนียมหลวงปู่มั่น จะเข้าไปหาองค์ท่านจะชวนเพื่อนไปไม่ได้ถ้าไปฟังเทศเฉยๆกันได้ถ้าหวังจะไปอยู่ชวนเพื่อนไปไม่ได้หลวงปู่มหาก็เหมือนกันต้องไปคนเดียวแสดงความเดดเียวเพราะในคำพีวิสุธทธิมัติมีถ้าจะไปอยู่กับท่านองค์ไหนก็ต้องไปคนเดียวอย่าเอาเพื่อนไปด้วย ถ้าเอาเพื่อนไปด้วยทำท่าทำทางเป็นหัวหน้าต้องมีสมเด็ไปใช่ด้วยท่านพูดอย่างนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมัติท่านเห็นไหมถ้าจะไปศึกษาวิปัฒนาหรือสมาสกับครูบาอาจารย์องค์ไหนอย่านำลูกศิษย์ไปด้วยเว้นไว้แต่แดีไปฟังเทศเราก็จะหนีไปถ้าไปหวังอยู่ด้วยอย่านำไปด้วยมันมีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมัตถ้าไป้วก็จงจงไปถาม น้ำล่างเท่าเนี่ยองค์พระอาจารย์ตักมาหรือไม่ถ้าองค์พระอาจารย์ตักมาก็ขอโอกาสจะล่างเท่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วสมาธิสมาบัติไปขึ้นท่านอาจารย์ผู้ฉลาดพอเข้ามาเขามองดูน้ำล่างเท่าเออไม่ใช่เราตักมาหรอกถึงเราตักมาก็ตามเธอจองล่างสบายเถิดก็ไม่ก็พ้นจากอาวัต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 ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ยินขนาดนั้นนะสมัยสมัยดูคำหลวงผู่มันไม่ใช่ของง่ายเนะฮะแจ๊กกะฮะซัมบอกโอเอาแล้วนอซัมนอกะก็เรื่องปตัวอะไรนอซัมนนอ ยะถาวาริวหฮาปุราปฏิปุเรนติสาคลังเอวเมวอโตูตินังเปตาหังอุปกระปติอิติตังวติตังตุมางคิปะเมววัจะมีะตูสะเพะปูเรนดูสังกะปาจันโทภะนราโสยะถามณีโชติระโสยะถา สัพพิโยเยวัจจันตุสรรพทุโขสัพพะโยสัพพโรโควินัสสตตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกพระอภิวาทานาสีนิสานิจจังวุตตาปิชายูจัตตารุธรรมาวัจันติอายุวนันูสุขังพะลังละละความเปื่อยความเนาบ่ล่งจากธรรมะกายพี่จยได้เอา ความตายกับว่าลกจากธรรมะตายความแก่กับว่าลงจากธรรมะกายความเจ็บกับว่าลงจากธรรมะกายความตายจากเศ้าสายยปทียงกับว่าลงจากธรรมะกายลรฟังอยู่นะโมนีหนาวฟังเทศเที่ยวไม่พูดถามที่ว่างเลยะเที่ยวแหบพูดตะก้อได้กินที่แตกได้งเทเขาว่างคือตอบเขายังไ๋กันจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขว่างสโล่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะอะไรเกิดยุ่งหัวใจนี่เขาว่างสโล่ ก็ได <ừ> ้บ <ừ> ุญนะสันนะบุญก็ใส่เป็นตัวยังไงก็เป็นตัวจังใจนี่ก็ว่า่แล้วเอเอาละ